ยานาคทอพระเนตรเห็นพระมหาศัตว์แล้วตรัสคาถานี้ว่าท่านเป็นมนุษย์มาเห็นหนาคพิภ พ, พ, พที่ตนไม่เคยเห็นแล้วเป็นผู้ถูกภัยคือความตายคุกคามแล้วเป็นผู้กลัวแล้วไม่อภิวาสอาการเช่นนี้ดูเหมือนจะไม่มีแกผู้มีปัญญาบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเป็นผู้กลัวแล้วพยมหิโตได้แก เป็นผู้หวาดกลัวแล้วท่านกล่าวอธิบายไว้ว่าแนบันดิตท่านเห็นหน้าพิภพที่ตนไม่เคยเห็นเป็นผู้ถูกภัยคือความตายคุกคามกลัวแล้วไม่ถวายอภิวาค้าพเจ้าเหตุเช่นนี้ไม่ใช่อาการของบุคคลผู้มีปัญญาเลยเมื่อพญานาคทรงประสงค์จะให้ถวายบังคมอย่างนั้นพระมหาสัตว์ไม่ได้ทูลตรงๆว่า ข้าพระองค์ไม่ควรถวายบังคมพระองค์กล่าวด้วยความฉลาดในอุบายเพราะตนมีปัญญาว่าข้าพเจ้าไม่ถวายบังคมพระองค์เพราะข้าพเจ้าจะต้องถูกฆ่าดังนี้แล้วจึงทูลด้วยสองคาถาว่าข้าแต่นาคราชข้าพระองค์เป็นผู้ไม่กลัวและไม่เป็นผู้อันภัยคือความตายคุกขามนักโทษประหารไม่พึงกราบไหว้เพชฌฆาต หรือเพชฌฆาตก็ไม่พึงให้นักโทษประหารกราบไหว้ตนอย่างไรหนอนรช น, นจะพึงกราบไหว้บุคคลผู้ปรารถนาจะฆ่าตนและผู้ปรารถนาจะฆ่าเขาจะพึงให้บุคคลผู้ที่ตนจะฆ่ากราบไหว้ตนอย่างไรเล่ากรรมนั้นย่อมไม่สำเร็จประโยชน์เลยพระเจ้าค่าคำเป็นคาถานั้นมีอธิบายว่า ข้าแต่พญานาคข้าพเจ้ามาเห็นนาคพิภพที่ตนยังไม่เคยเห็นย่อมไม่กลัวและภัยคือความตายคุกคามไม่ได้ด้วยเพราะขึ้นชื่อว่าภัยคือความตายย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้เช่นข้าพเจ้าอนหนึ่งนักโทษที่ต้องถูกฆ่าไม่พึงกราบไหว้เพชฌฆาตผู้จะฆ่าตนหรือเพชฌฆาตไม่พึงยังนักโทษที่จะต้องถูกฆ่าให้กราบไหว้ตน นรชนจะพึงกราบไหว้บุคคลผู้ปรารถนาจะฆ่าตนอย่างไรหนอหรือว่าผู้ปรารถนาจะฆ่าเขาจะพึงยังบุคคลผู้ที่ตนจะฆ่าให้กราบไหว้ตนอย่างไรเล่าเพราะกรรมคือกราบไหว้ของผู้ต้องถูกฆ่าและการให้กราบไหว้ของผู้จะฆ่านั้นย่อมไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาเลยก็ข้าพระองค์ได้ทราบแล้วว่า พระองค์รับสั่งจะให้ข้าข้าพเจ้าในที่นี้เหตุนั้นข้าพเจ้าจะถวายบังคมพระองค์อย่างไรได้พญาหนาคาราศงสดับดังนั้นทรงพอพระทยัยเมื่อจะทรงทำความชงเฉยพระมหาสัตว์ได้ทรงภาษิท์สองคาถาว่าแน่บัณดิตคำนั้นถูกอย่างที่ท่านพูดท่านพูดจริงนักโทษประหารไม่พึงกราบไหว้เพชฌฆาต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 บัดนี้พระมหาสัตว์เมื่อทำปฏิสันฐานกับพญานาคราชจึงทูลว่าข้าแต่นาคราชวิมานของฝ่าพระบาทนี้เป็นของไม่เที่ยงแต่เป็นเช่นกับของเที่ยงฤทธิ์ความรุ่งเรืองพระกําลังกายพระวิริยภาพและการเสด็จอุบัติในนาคพิภ พ, พ, พได้มีแล้วแก่ฝ่าพระบาท ข้าพระองค์ขอทูลถามเนื้อความนั้นกะฝาพระบาทวิมานนี้ฝาพระบาททรงได้มาอย่างไรเนอวิมานนี้ฝาพระบาททรงได้มาเพราะอาศัยอะไรหรือเป็นของเกิดขึ้นตามฤดูกาลฝาพระบาททรงกระทำเองหรือเทวดาทั้งหลายถวายแก่พระองค์ข้าแต่น้าคาราชขอฝาพระบาทตรัสบอกเนื้อความนี้แก่ข้าพระองค์ ตามที่ฝ่าประบาทได้วิมานี้มาเถิดพระเจ้าข้าบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าวิมานของฝ่าประบาทนี้ตะวะอิทังความว่าวิมานอันเกิดแต่ยศาหรับเป็นพระเกียรติยศของพระองค์นี้ซึ่งเป็นของไม่เที่ยงแต่ปรากฏเสมือนของเที่ยงท่านอย่ากระทาความชั่วเพราะอาศัยยศเลยเพราะฉะนั้นด้วยบทนี้ เท่ากับพระมหาสัตว์ขอชีวิตของตนไว้คาว่าฤทธิทิทิความว่าฤทธิ์ของหน้าก็ดีความรุ่งเรืองของหน้าก็ดีกําลังกายก็ดีความเพียรอันเป็นไปทางจิตก็ดีการเสด็จอุบัตในนาพิภพก็ดีทั้งวิมาณของท่านก็ดีข้าแต่พญานาคข้าพระองค์ขอทูลถามเนื้อความนั้นกับพระองค์ ทั้งหมดนี้พระองค์ทรงได้มาอย่างไรหนอะวิมานนี้คือนาพิภพที่สมบูรณ์อย่างนี้อันพระองค์ได้ประสบโดยไม่มีเหตุหรือหนาะหรือเป็นของเกิดขึ้นตามฤดูกาลหรือพระองค์ทรงทำด้วยมือของพระองค์เองหรือว่าเทวดาทั้งหลายถวายพระองค์วิมานนี้พระองค์ทรงได้ด้วยประการใด ขอพระองค์ตรัสบอกเนื้อความนั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยประการนั้นพระเจ้าค่าพญานาคตรัสว่าวิมานนี้เราได้มาเพราะอาศัยอะไรก็หาไม่ได้เกิดขึ้นตามฤดูกาลก็หาไม่ได้เรามิได้กระทำเองแม้เทวดาทั้งหลายก็มิได้ให้แต่วิมานนี้เราได้มาด้วยบุญกรรมอันไม่ลามกของตนเอง บรรดาคําเหล่านั้นคําว่าอันไม่ลามกอาปาปะเกหิได้แก่อันไม่เลวสามพระมหาสัตทุลถามว่าข้าแต่หน้าคราชอะไรเป็นวัดของฝ่าพระบาทและอะไรเป็นพรหมจันทร์ของฝ่าพระบาทฤทธิ์ความรุ่งเรืองพระกําลังกายพระวิริยภาพและการเสด็จอุบัติในหน้าพิภพ ทั้งวิมาณใหญ่ของฝ่าพระบาทนี้เป็นผลแห่งกรรมอะไรอันฝ่าพระบาททรงประพฤติดีแล้วบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าอะไรเป็นวัดของฝ่าพระบาทอินเตวัตตังความว่าข้าแต่พญานาคราชในพบก่อนอะไรเป็นวัดของพระองค์อนหนึ่งอะไรเป็นการอยู่พรหมจรรย์ของพระองค์ อิทธวิบุลผลมีความเป็นผู้มีฤทธิ์เป็นต้นนี้เป็นวิบากแห่งสุดจริตกรรมเช่นไรพญานาคตรัสว่าเราและภรรยาเมื่อยังอยู่ในมนุษยโลกเป็นผู้มีศรัทธาเป็นทานวดีในครั้งนั้นเรือนของเราเป็นดังบ่อน้ําของสมณพราหมณ์ทั้งหลายและเราได้บำรุงสมณพราหมณ์ให้อิ่มน้ำสําราญ เราทั้งสองเมื่ อ, อยังอยู่ในมนุษยโลกนั้นได้ถวายทานคือดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้เครื่องประทีบที่นอนที่พักอาศัยผ้านุง่งผ้าหม่มผ้าปูนอนข้าวและน้ำโดยเคารพทานที่ได้ถวายโดยเคารพนั้นเป็นวัดของเราและการสมาทานวัดนั้นเป็นพรหมจรรย์ของเราแน่ ท่านผู้เป็นปราดฤทธ์ความรุ่งเรืองกำลังกายความเพียรการอุบัติในนาคพิภพและวิมานใหญ่ของเรานี้เป็นวิบากแห่งวัดและพรหมจรรย์นั้นอันเราประพฤติดีแล้วบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าในมนุษยสยโลกมนุษสโลเกได้แก่ในกาลจจำปากะนครแควนอังคข้อว่า ทานที่ได้ถวายโดยเคารพนั้นเป็นวัดของเราตังเมวัดตังความว่าทานที่เราให้โดยเคารพนั้นนั่นแลเป็นการสมาทานวัดและพรหมจรรย์ของเราอิทธวิบูลผลมีฤทธิ์เป็นต้นนี้เป็นวิบากแห่งสุจริตกรรมที่ข้าพเจ้าประพฤติดีแล้วนั้นกระมหาสัตทูลเป็นคาถาว่าถ้าวิมานนี้ ฝาพระบาททรงได้ด้วยอานุภาพแห่งทานอย่างนี้ฝาพระบาทก็ชื่อว่าทรงทราบผลแห่งบุญและทรงทราบการเสด็จอุบัติในหนา้า พ, พ, พิภพเพราะผลแห่งบุญเพราะเหตุนั้นแหละขอฝาพระบาททรงเป็นผู้ไม่ประมาทประพฤติ ธ, ธรรมโดยวิธีที่จะได้ทรงครอบครองวิมานนี้ต่อไปฉนั้นเถิดพระเจ้าค้า บัรดาคําเหล่านั้นคําว่าชื่อว่าทรงทราบชานาสิความว่าถ้าว่าวิมานนั้นพระองค์ทรงได้ด้วยอนุภาพแห่งทานอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ชื่อว่าทรงทราบผลแห่งบุญทั้งหลายและทรงทราบการเสด็จอุบัติในวิมานอันเกิดขึ้นด้วยผลแห่งบุญคําว่าเพราะเหตุนั้นตัสมาความว่า เพราะเหตุที่วิมานนี้พระองค์ได้มาเพราะบุญกรรมคำว่าได้ทรงครอบครองต่อไปฉชนั้นเถิดอุณนะมาวะเสสิความว่าขอพระองค์จงทรงประพฤติ ธ, ธรรมให้ได้เสด็จอยู่ครองนาคพิพ พ, พนี้แม้ต่อไปอีกพญานาคราชตรัสว่าแนบันดิตในนาคพิภ พ, พ, พนี้ไม่มีสมณะพราหมณ์ ที่เราจะพึงถวายข้าวและน้ำเลยเราถามแล้วขอท่านจงบอกเนื้อความนั้นแก่เราโดยวิธีที่เราจะพึงได้ครอบครองวิมานต่อไปเถิดพระมหาสัตว์ทูลเป็นคาถาว่าข้าแต่นาคราชก็นาคทั้งหลายที่เป็นพระโอรสพระธิดาพระชายาท้งพระญาติพระมิตรและข้าเฝ้าของฝ่าพระบาท ซึ่งเกิดในหน้าพิภพนี้มีอยู่เพราะฟาพระบาททรงเป็นผู้ไม่ประทุสร้ายในหน้ามีพระโอรสเป็นต้นเหล่านั้นด้วยพระกายและพระวาจาเป็นนิต่าพระบาททรงรักษาความไม่ประทุสร้ายด้วยพระกายและพระวาจาอย่างนี้่าพระบาทจะทรงสถิตอยู่ในวิมานนี้ตลอดพระชนมายุ แล้วจากเสด็จไปสู่เทวโลกอันสูงกว่านาคพิภพนี้บรรดาคําเหล่านั้นคําว่านาคทั้งหลายโพคีได้แก่นาคทั้งหลายผู้มีขนดคําว่าในานาคมีพระโอรสเป็นต้นเหล่านั้นเตสุความว่าขอพระองค์จงอย่าประทุสร้ายเป็นนิดด้วยกายกรรมและวจจกกรรมในานาค มีพระโอรสและพระธิดาเป็นต้นเหล่านั้นคำว่าทรงรักษาอนุปาลยะความว่าจงตามรักษาความไม่ประทุษร้ายกล่าวคือความมีเมตตาจิตในพระโอรสและพระธิดาเป็นต้นและในสัตว์ที่เหลืออย่างนี้คำว่าอันสูงกว่านาคพิภพนี้อุดทังอิโตความว่า พระองค์จักเสด็จไปสู่เทวโลกที่สูงกว่านาคพิภพนี้เพราะเมตตาจิตจัดว่าเป็นบุญยิ่งกว่าทานพญานาคราชได้ทรงสดับธรรมกถาของพระมหาสัตว์อย่างนี้แล้วทรงพอพระทัยแล้วจึงทรงดำริว่าบัณฑิตไม่อาจจะทำการเนื่อช้าอยู่ภายนอกเราควรจะแสดงเธอแก่พระนางวิมลลา ให้พระนางเธอได้ฟังสุภาษิตสงบระ ง, งับความปรารถนาะแล้วส่งบัณฑิตกลับไปเพื่อให้พระเจ้าทานัญชัยทรงชื่นชมโสมนัสจึงตรัสคาถาว่าท่านเป็นอามาตย์ของพระราชาผู้ประเสริฐสุดพระองค์ใดพระราชาผู้ประเสริฐสุดพระองค์นั้นพรากจากท่านแล้วย่อมจะทรงเศร้าโศกแน่แท้ทีเดียว คนที่ถูกความทุกข์ครอบงำก็ดีคนป่วยหนักก็ดีได้สมาคมกับท่านแล้วพึงได้ความสุขบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเป็นอามาตสัชีโวได้แก่ผู้กระทาราชกิจคำว่าได้สมาคมสเมจจะได้แก่มาพร้อมกับท่านคำว่าป่วยหนักก็ดีอาตุโรปิ ได้แก่แม้เป็นผู้ไข่หนักพระมหาสัตว์สดับพระกระแสรับสั่งดังนั้นแล้วเมื่อจะทรงทำความชมเชยพญานาคราชจึงทูลเป็นคาถาอีกว่าข้าแต่นาคราชฟ้าพระบาทตรัตธรรมของสัตว์บุรุษทั้งหลายซึ่งเป็นบทอันแสดงประโยชน์อย่างล้ำเลิศที่นักปราชญ์ประพฤติดีแล้วโดยแท้ ก็คุณวิเศษของบุคคลผู้มีปัญญาเช่นข้าพระองค์ย่อมปรากฏในเมื่อมีพยันตรายเช่นนี้แหละพระเจ้าข้าบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าของสัตบุรุษสตังความว่าฝ่าพระบาทแสดงธรรมของสัตบุรุษคือบัณฑิตทั้งหลายแน่แท้คำว่าซึ่งเป็นบทอันแสดงประโยชน์อัฏฐปทัง ได้แก่ส่วนที่เป็นประโยชน์คำว่าเช่นนี้แหละเอตาธิสิยาสุความว่าคุณวิเศษของบุคคลผู้มีปัญญาเช่นขปเจ้าย่อมปรากฏในเมื่อได้ประสบอันตรายเช่นนี้คือภัยเช่นนี้พญานาคราชทรงสดับดังนั้นทรงยินดีร่าเริงเป็นนักหนาแล้วตรัสคาถาว่า ขอท่านจงบอกแก่เราปุณณะยักษ์นี้ได้ท่านมาเปล่าเปล่าหรือหรือปุณณะยักษ์นี้ชนะในการเล่นการพนันจึงได้ท่านมาปุณณะยักษ์นี้กล่าวว่าได้มาโดยธรรมท่านตกอยู่ในเงื้อมมือของปุณณะยักษ์นี้ได้อย่างไรบรรดาคำเหล่านั้นคาว่าขอท่านจงบอกแก่เราอคาหิโนได้แก่ ขอท่านโปรดบอกแก่พวกข้าพเจ้าคําว่าตายังปุณกะยักษ์นี้ท่านตัดบทเป็นตังอะยังคําว่าได้มาเปล่าเปล่ามุทานุลัตธูความว่าปุณกะยักษ์นี้ได้ท่านมาเปล่าเปล่าหรือชนะด้วยเล่นการพนันจึงได้ท่านมาคําว่าปุณกะยักษ์นี้กล่าวว่า อิติมายะมาหะความว่าปุนกะยักษ์นี้พูดว่าเราได้บัณฑิตมาโดยชอบธรรมข้อว่าท่านตกอยู่ในเงื้อมมือของปุนกะยักษ์นี้ได้อย่างไรกระถังตวงหัตถมิมาตรมาคโตได้แก่ท่านมาถึงเงื้อมมือยักษ์นี้ได้อย่างไร ลำดับนั้นพระมหาศัต ท, ทูลพยานาคราชนั้นด้วยคาถาว่าปุณกะยักษ์นี้เล่นการพนันชนะพระราชาผู้เป็นอิสราธิปดีของข้าพระองค์ในอินทะปัตทนครนั้นพระราชาพระองค์นั้นอันปุณกะยักษ์ชนะแล้วได้พระราชทานข้าพระองค์แก่ปุณกะยักษ์นี้ ข้าพระองค์เป็นผู้อันปุณกะยักษ์นี้ได้มาแล้วโดยธรรมมิใช่ได้มาด้วยกรรมอันสาหัสพระเจ้าข่าบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าโยมิสโรผู้เป็นอิสราธิปดีของข้าพระองค์ตัดบทเป็นโยเมอิสโรคําว่าได้พระราชทานแก่ปุณกะยักษ์นี้อิมัต ส, สะทาสิ ได้แก่ได้ให้แก่ปุณกะยักษ์นี้พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนี้จึงตรัสพระคาถานี้ว่าในการนั้นพญานาคผู้ประเสริฐทรงสดับคำสุภาษิตของวิทุระบัณฑิตผู้เป็นปราดแล้วทรงชื่นชมโสมนัสมีพระหฤทัยเต็มตื้นด้วยปีติทรงจูงมือวิทุระบัณฑิตผู้มีปัญญาไม่สาม เสด็จเข้าไปในที่อยู่ของพระชายาตรัสว่าแนนพระนองวิมาลาเพราะเหตุใดพระน้องจึงดูผอมเหลืองไปเพราะเหตุใดพระน้องจึงไม่เสวยกระยาหารก็คุณงามความดีของวิตรบันดิตผู้ที่พระน้องต้องประสงค์ดวงหาไทยเป็นผู้บรรเทาความมืดของโลกทั้งปวงเช่นนี้นั้นของเราไม่มี ผู้นี้คือวิทุระบัณฑิตมาถึงแล้วจะทำความสว่างสวัยให้แก่พระน้องเชิญพระน้องตั้งใจฟังคำของท่านการที่จะได้เห็นท่านอีกเป็นการหาได้ยากบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าสเสด็จเข้าไปปาเวคิได้แก่เข้าไปแล้วคำว่าเพราะเหตุใดเยนะความว่าแน่ พระนองวิมาลาผู้เจริญเจ้าสู้ผอมเหลืองไปเพราะเหตุไรและเพราะเหตุไรเจ้าจึงไม่เสวยกระยาหารข้อว่าก็คุณงามความดีเช่นนี้นั้นของเราไม่มีนะจัตเมตาทิโสวันโนความว่าก็เกียรติคุณของวิทุระบัณฑิตเช่นนี้อย่างที่เราและใครๆอื่นมิได้มี ได้แผ่กระชนไปตลอดพื้นปัตภพีและเทวโลกข้อว่าผู้บันเทาความมืดของโลกทั้งปวงอายะเมโซตโมนุโธความว่าวิทุระบันดิตผู้ที่เจ้าต้องการดวงหัดไัยนั้นเป็นผู้บันเทาความมืดของชาวโลกทั้งสิ้นด้วยคำว่าอีกปุณนี้พยานาคราชกล่าวว่า ชื่อว่าการเห็นวิธุระบัณฑิตนี้อีกหาได้ยากพระนางวิมลาทออพระเนรเห็นวิธุระบัณฑิตผู้มีปัญญากว้างขวางดังแผ่นดินนั้นแล้วมีพระหฤรุไทยยินดีโสงมนัสทรงยกพระองคุลีทั้งสิบขึ้นอัญชลีและตรัสกัวิธุระบัณฑิตผู้เป็นนักปราดผู้ประเสริฐสุดของชาวกุรุรัตน บรรดาคำเหล่านั้นคำว่ามีพระหฤรุไทยยินดีผัดเทนะพาเวนะได้แก่เป็นผู้มีจิตยินดีคำว่าโสมนัตปติตรูปาได้แก่เกิดความโสมนัตเบื้องหน้าแต่นี้พระนางวิมลาเทวีตรัสว่าท่านเป็นมนุษย์มาเห็นหน้าพิภพที่ตนไม่เคยเห็นแล้ว เป็นผู้ถูกภัยคือความตายคุกคามแล้วเป็นผู้กลัวแล้วไม่อภิวาสอาการเช่นนี้ดูเหมือนจะไม่มีแกผู้มีปัญญาวิทรบัณฑิตกราบทูลเป็นคาถาว่าข้าแต่พระนางเจ้านาคีข้าพระองค์เป็นผู้ไม่กลัวและไม่เป็นผู้อันภัยคือความตายคุกคามนักโทษประหารไม่พึงกราบไหว้เพชฌฆาต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 แน่บันดิตคำนั้นถูกอย่างที่ท่านพูดท่านพูดจริงนักโทษประหารไม่พึงกราบไหว้เพชฌฆาตหรือเพชฌฆาตก็ไม่พึงให้นักโทษประหารกราบไหว้ตนอย่างไรหนอ น, นรชนจะพึงกราบไหว้บุคคลผู้ปรารถนาจะฆ่าตนและผู้ปรารถนาจะฆ่าเขา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 พระกำลังกายพระวิริยภาพและการเสด็จอุบัติในหน้าพิภพได้มีแล้วแก่ฝ่าพระบาทถ้าพระองค์ขอทูลถามเนื้อความนั้นกะฝ่าพระบาทวิมานนี้ฝ่าพระบาททรงได้มาอย่างไรเนาะวิมานนี้ฝ่าพระบาททรงได้มาเพราะอาศัยอะไรหรือเป็นของเกิดขึ้นตามฤดูกาลฝ่าพระบาททรงกระทําเอง หรือเทวดาทั้งหลายถวายแก่พระองค์่าแต่น้าคราชขอฝ่าพระบาทตรัสบอกเนื้อความนี้แก่ข้าพระองค์ตามที่ฝ่าพระบาทได้วิมานนี้มาเถิดพระเจ้าค่าลำดับนั้นพระนางวิมาลราเทวีตรัสบอกแก่พระมหาสัตว่าวิมานนี้ฉันได้มาเพราะอาศัยอะไรก็หาไม่ได้เกิดขึ้นตามฤดูการก็หาไม่ได้ ฉันมิได้กระทำเองแม้เทวดาทั้งหลายก็มิได้ให้แต่วิมานนี้ฉันได้มาด้วยบุญกรรมอันไม่ลามกของตนเองพระมหาสัตว์กล่าวว่าข้าแต่พระนางเจ้านาคีอะไรเป็นวัดของฝ่าพระบาทและอะไรเป็นพรหมจรรย์ของฝ่าพระบาทฤทธิ์ความรุ่งเรืองพระกาลังกาย พระวิริยภาพและการเสด็จอุบัติในนาพิภพทั้งวิมาณใหญ่ของฝ่าพระบาทนี้เป็นผลแห่งกรรมอะไรอันฝ่าพระบาททรงประพฤติแล้วพระเจ้าข่าลำดับนั้นพระนางวิมลาเทวีตรัสบอกพระมหาสัตว์ว่าฉันและพระสวามีของฉันเป็นผู้มีศรัทธาเป็นทานบดี ในครั้งนั้นเรือนของฉันเป็นดังบ่อน้ำของสมณะพราหมณ์ทั้งหลายและฉันได้บำรุงสมณะพราหมณ์ให้อิ่มน้ำสำราญฉันและพระสวามีเมื่อยังอยู่ในมนุษยโลกนั้นได้ถวายทานคือดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้เครื่องประทีปที่นอนที่พักอาศัยผ้านุ่งผ้าห่มผ้าปูนอนข้าวและน้ำโดยเคารพ ทานที่ฉันได้ถวายโดยเคารพนั้นเป็นวัดของฉันและการสมาทานวัดนั้นเป็นพรหมจรรย์ของฉันแน่ท่านผู้เป็นปราฏิฤิษฐ์ความรุ่งเรืองกำลังกายความเพียรการอุบัติในนาคพิภพและวิมานใหญ่ของฉันนี้เป็นวิบากแห่งวัดและพรหมจรรย์นั้นอันฉันประพฤติดีแล้ว ลำดับนั้นพระมหาสัตว์กราบทูลพระนางวิมลาเทวีนั้นว่าถ้าวิมานนี้ฝ่าพระบาททรงได้ด้วยอนุภาพแห่งทานอย่างนี้ฝ่าพระบาทก็ชื่อว่าทรงทราบผลแห่งบุญและทรงทราบการเสด็จอุบัติในหน้าค พ, พ, พิภพเพราะผลแห่งบุญเพราะเหตุนั้นแหละขอฝ่าพระบาททรงเป็นผู้ไม่ประมาทประพฤติ ธ, ธรรม โดยวิธีที่จะได้ทรงครอบครองวิมานนี้ต่อไปฉันนั้นเถิดพระเจ้าค่าพระนางวิมาลาเทวีตรัสว่าแน่บัณฑิตในนาคพิภพนี้ไม่มีสมณพราหมณ์ที่ฉันจะพึงถวายข้าวและน้ำเลยฉันถามแล้วขอท่านจงบอกเนื้อความนั้นแก่ฉันโดยวิธีที่ฉันจะพึงได้ครอบครองวิมานนี้ต่อไปเถิด พระมหาสัตทูลว่าข้าแต่พระนางเจ้านาคีก็นาคทั้งหลายที่เป็นพระโอรสพระธิดาพระสวามีทั้งพระญาติพระมิตรและข้าเฝ้าของฝ่าพระบาทซึ่งเกิดในนาคพิภพนี้มีอยู่ขอฝ่าพระบาททรงเป็นผู้ไม่ประทุสร้ายในนาคมีพระโอรสเป็นต้นเหล่านั้นด้วยพระกายและพระวาจาเป็นนิ ฝ่าพระบาททรงรักษาความไม่ประทุสร้ายด้วยพระกายและพระวาจาอย่างนี้ฝ่าพระบาทจะทรงสถิตอยู่ในวิมานนี้ตลอดพระชนมายุแล้วจากเสด็จไปสู่เทวโลกอันสูงกว่านาคพิภพนี้พระนางวิมลลาเทวีตรัสว่าท่านเป็นอมาตะของพระราชาผู้ประเสริฐสุดพระองค์ใด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 ซึ่งเป็นบทอันแสดงประโยชน์อย่างล้ำเลิศที่นักปราดประพฤติดีแล้วโดยแท้ก็คุณวิเศษของบุคคลผู้มีปัญญาเช่นข้าพระองค์ย่อมปรากฏในเมื่อมีพยันตรายเช่นนี้แหละพระเจ้าข่าพระนางวิมลาเทวีตรัสว่าขอท่านจงบอกแก่ฉันอุณกะยักษ์นี้ได้ท่านมาเปล่าเปล่าหรือ หรือปุณณะยักษ์นี้ชนะในการเล่นการพนันจึงได้ท่านมาปุณณะยักษ์นี้กล่าวว่าได้มาโดยธรรมท่านตกอยู่ในเงื้อมมือของปุณณะยักษ์นี้ได้อย่างไรลำดับนั้นพระมหาศัททูลกับพระนางวิมลาเทวีนั้นว่าปุณณะยักษ์นี้เล่นการพนันชนะพระราชาผู้เป็นอิสราธิบดีของข้าพระองค์ ในอินทปัตตนครนั้นพระราชาพระองค์นั้นอันปุญญกะยักษ์ชนะแล้วได้พระราชทานข้าพระองค์แก่ปุญญกะยักษ์นี้ข้าพระองค์เป็นผู้อันปุญนญกะยักษ์นี้ได้มาแล้วโดยธรรมมิใช่ได้มาด้วยกรรมอันสาหัสพระเจ้าค่าบัณฑิตพึงทราบเนื้อความแห่งคาถาเหล่านี้โดยในที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วในหนหลังนั้นเถิด